ร่างกายต้องสุดโทมต้องชราต้องคลาครา่าต้องเจ็บป่วยว่าไม่คมงที่ของมันความเปลี่ยนแปลงของมันมันเปลียนไปตามภาวะของมันท่าจึงให้เราศึกษาให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเราก็ยึด เราก็ทุกไปกับมันนี่ข้อใหญ่ใจความที่ท่านให้ปฏิบัติทำ ม, มันหากเป็นอย่างนั้นเองอ่าเรีวยกว่าพูดตามภาวะที่มันมีมันเป็นหากเป็นอย่างนั้นเองเราไปดัดแปลงมันไม่ได้ดอกสังขารของเราของท่าน สังขารคือกองทุกของทุกคือสังขารมีสังขารที่ใดที่นั่นมีกองทุกมีสังขารที่ใดที่นั่นมือมีกองทุกมีสังขารเหตุปัใจจัยให้เกิดสังขารมีอยู่เหตุปัใจจัยเกิดสังขารนั่นแหละพระเจา้าท่านสอนให้เราพยายาม ดูให้เห็นให้ละให้วางพอละวางสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือละวางสังขารได้มันดึกเข้าไปเป็นชั้นๆสังขารรูปสังขารนามสังขารรูปคืออัตภาพร่างกายมีขึ้นเกิดขึ้น รู้เห็นสัมผัสจับต้องได้สังขารรูปสังขาร น, นามก็คือสิ่งที่มีแต่ลักษณะมีแต่อาการทราบได้ด้วยตัวของตัวเราเองเช่นอย่างนามขันทั้งห้าเวินาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแต่เวลาเขาทำงานเขาจะประสานประสานกันตลอดทั้งรูปสังขารทั้งนามสังขาร เขาจะสัมผัสสัมพันธ์กันตลอดเขาจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดรวมแล้วคือนี่แหละขันห้าเป็นที่รวมของกองทุกกองทุกรวมลงที่ขันห้าขันห้าขันห้าเป็นที่รวมของกองทุกทุกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าทุกคลักษณะลักษณะของความทุกทุกอย่างหนึ่ง เป็นทุกขเวทนาที่มีในจิตธรรมจิตไม่ชอบทรรมจิตจิตพยายามปัดพยายามเป่าพยายามหลบพยายามหลีกพยายามเว้นเช่นอย่างสังขารต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่เนี่ยแต่เราไม่อยากแก่สังขารต้องเจ็บแต่เราไม่อยากเจ็บสังขารต้องตาย แต่เราไม่อยากตายนี่คือความเปลี่ยนของนามนามขันเราไปบังคับบัญชามันไม่ได้ดอกเราต้องรู้เหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของของรูปสังขารรูปเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารรูปมีอยู่ เหตุปัจจัยของนามเหตุปัจจัยของนามเหตุปัจจัยของนามมีอยู่เหตุปัจจัยเหล่านี้ก็คืออวิชชานั่นแหละท่านพูดสรุ ป, ร, ป ร, วรวบรวมยอดก็คืออวิชชา ความโง่เง่ า, งาความไม่รู้เท่าทันของจิตรเราเนี่ยคือจิตไม่ฉลาดจิตไม่เคยฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลารตัวเองขัดสีตัวเองมาเจริญในตัวเองมาฝึกผลอบรมตัวเองไม่รู้เท่าทันอยู่เฉยๆจะรู้เท่าทันไม่ได้คำว่ารู้เท่าก็คือรู้ตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริง คำว่ารู้ทันรู้ทันก็คือรู้ทันที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงมันทนไม่ได้มันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเราไปบังคับบัญชามันไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วแท้จริงมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไปกะเกณฑ์มันให้เป็นไปตามใจหวังร่างกายก็เป็นปเป็นกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังก็ไม่ได้อ่า สังขารที่เป็นโรคกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังก็กะเกณฑ์ไม่ได้คำว่ากะเกณฑ์ในที่นี้หมายความว่าพยายามไปบีบไปบังคับไปดัดไปแปลงให้มันเป็นไปตามใจหวังของเราที่อยากร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่ร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บร่างกายต้องตายไม่แต่ไม่อยากตายอันนี้เป็นลักษณะของความอยากอย่างหนึ่งเป็นความอยากที่ฝุนหลักธรรมชาติ ท่านสอนให้เรารู้เท่าทันว่าเออมันต้องแก่โอ้มันต้องเจ็บโก้มันต้องตายสิ่งที่มันพาแก่มีอยู่พาเจ็บมีอยู่พาตายมีอยู่เหตุปัจจัยเกิดสังขารก็คือความไม่รู้เท่าทันนั่นแหละความไม่รู้เท่าไม่รู้ทันผู้รู้ของเราคือนามคือทารู้ทารู้ของเราเราชี้มาที่ไหนเราชี้มาที่จิตของเรา ธาตุรู้ของเรามีสิ่งที่เคลือบแฝงมาด้วยคือกิเลสนะนั่นแหละกิเลสมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผู้รู้เกิดขึ้นมาได้ยังไงผู้รู้เป็นธาตุรู้ที่มีอยู่ประจําโลกธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่มีอยู่ประจำโล ก, อโลกพอเวลาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่ได้ชําระขัดเกลาให้บริสุทธิ์ สิ่งที่ยังไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ยังไม่ได้ชำระยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เกลาก็คือกิเลนี่แหละพอมีความรู้โผล่ขึ้นมาแล้วพอมีความรู้โผล่ขึ้นมาแล้วรู้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสเห็นแล้วก็ไม่สักเทวะเห็นได้ยินแล้วก็ไม่สักเทวาได้ยินมีความอยากมีความอยาก อยากในรูปนั้นรูปดีก็อยากได้เข้ามารูปไม่ดีก็อยากผลักออกไปนี่อำนาจของความอยากความอยากนี่แหละท่านเรียกว่าตันหาตันหาแปลว่าความทยานอยากของจิตจิตที่ไม่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้นี่แหละความไม่รู้ความไม่เข้าใจไม่ชำระไม่ขัดเกลาว่ดัดแปลงเป็นแก้วสารพัดนึกที่ยั้งไม่ได้เกีิรใน ถ้ารู้ขงเรามีอุบัติเกิดขึ้นมาด้วยกันทุกคนเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งด้วยเหตุที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละเลยเกิดตัณหาเมื่อเกิดตัณหาแล้วกเกิดอุ ป, ปาทานเกิดการยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนอย่างสิ่งที่เราชอบชอ บ, ชอบนั่นแหละอืมพอสัมผัสปับ๊บโอ้ติดใจสัมผัสปับ๊บโอ้ติดใจความติดใจอะไรก็ตาม จิตก็ยอมยึดสิ่งเหล่านั้นความไม่ติดใจก็พยายามผลักไสให้ออกไปให้พ้นจากวงจรของการได้เห็นได้ยินได้ฟังทั้งสองอย่างนี้มีน้ำหนักเท่ากันมีน้าหนักเท่ากันท่านสอนให้เราทำยังไงทำให้เรารู้ยังไงสอนให้เรารู้ตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงมีสติกากับมีสัมปชัญญะกำกับมีปัญญากากับ จนสามารถรู้เท่าทันมันอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วอ๋อมันตั้งอยู่แล้วอ้อมันดับไปแล้วกลายเป็นผู้รู้อีกผู้รู้อันหนึ่งขึ้นมารู้เท่าทันภาวะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อืเมื่อเรารู้เท่าทันตัณหาก็ไม่เกิดจริงใดก็ตามที่เรารู้เท่าทันรู้ทันมันว่างั้นเถอะนี่เมื่อเรารู้ทันฉังขานมันปรุงต่อไม่ได้มันก็ดับ เมื่อเรารู้ทันสังขารปรุงต่อไม่ได้มันก็ดับถ้าเรารู้ไม่ทันมันสังขารมันก็ปรุงยืดไปจะเป็นโรค ก, ก็ตามเป็นเสียงก็ตามเป็นอารมณ์ที่ตกค้างอยู่ในใจก็ตามมันปรุงปั๊บเราไม่รู้ทันมันรู้ทันที่า ว, ว่ารู้ไม่เท่าทันมันมันก็พาเราปรุงยืดไปสังขารสังขาร การที่เราไม่รู้ว่ามันปรุงนั่นแหละนั่นแหละคือตัวอวิชชานั่นแหละตัวอวิชชาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้เท่าไม่รู้ทันนี่ตัวนี้เป็นอวิชชาให้จิตเราปรุงให้จิตเรานึกให้จิตเราแต่งซื้อไปแต่ถ้าเรารู้ทันมัน ก, ก็ดบถ้ารู้ทันมันก็ดบ การปฏิบัติธรรมเราพยายามตั้งใ จ, จใช้มีสมาธิแน่นหนามัน่นคงพยายามจะให้มีปัญญาหนักแน่นมัน่นคงแพรวราว ร, รู้เท่ารู้ทันมันเพื่อที่จะมาทำงานตรงนี้เพื่อที่จะมาเป็นพลังเพื่อที่จะมาเป็นพลังยับยั้งต่อต้านเราจะว่ายับยั้งก็ใช่เราจะว่าต่อต้านก็ใช่ แท้ที่จริงก็คือพิษสงที่มันเกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่ฉลาดของจิตของเรานั่นเองไม่ใช่อะไรอื่นที่ไหนเราจะเห็นว่าตัวพยามานตัวที่ร้ายกาศที่แท้จริงก็คือจิตของเราเองไม่มีอะไรอื่นที่ไหนผู้สร้างเวรสร้างภายัยสร้างบาปสร้างกรรมสร้างภพสร้างชาติเป็นเวรเป็นภยัยเป็นศัตรูตัวเชร้ายกาศก็คือตัวนี้แหละก็คือความที่เราไม่ฉลาด ในการดูแลรักษาแก้วสารพัดในของเรานี่เองท่านจึงให้เราตั้งใจภาวนาเพื่อเกิดปัญญารู้เท่าทันเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันน่ะตัณหามก็ะดับเมื่อตัณหาดับอุปาทานมันก็ดับด้วยอุปาทานดับภพบก็ดับชาติก็ดับจิตของเราที่มันจะเปลี่ยนสถานะจิตไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนี้ตามที่มันยึดตามที่มันถือมันก็ดับไปด้วย มันก็นดับไปด้วยเราจะเห็นว่าพระอรหันต์นั่นน่ะพบชาติท่านดับท่านดับได้อย่างนี้ท่านดับได้อย่างนี้ท่านดับได้ท่านดับได้ดไดรู้เท่าทันแล้วก็ดับได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพบคืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นในภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นภาวะของจิตนั่นแหละที่มาแสดงกิริยาเป็นกรรมน่ะมโนกรรมน่ะ ในเมื่อมันไม่มีมีแต่รู้ปัจจุบันแล้วก็ดับรู้ปัจจุบันแล้วก็ดับดับไปไม่มีอะไรต่อเนื่องไปจนเห็นสภาวะนี้เป็นเห็นเป็นสภาวะธรรมชาติร่างกายก็เป็นเห็นเห็นแต่ว่าเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งเวทนาก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งสัญญาสังขารวิญญาณเป็นหลักธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นภาวะความมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงของมันอย่างนั้นปัญญาภายในจิตของเราก็ แน่นหนามันคงขึ้นถอยออกมาถอยออกมาถอนออกมารู้แล้วมันถอนออกมามันเกิดความรู้สึกอยู่อย่างนั oke, tle, ARE, hole, pale, antim, tied, merciful, ้นร you know, ู atal, ้แล <twor, S 2> <Gear man. S 1> ้วถอนถอนจากการยึดจากการถือร <iterations> ู้แล้วก็ถอนรู้แล้วก็ถอนคำว่าถอนก็คือขยับตัวถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาจนเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์สลัดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหลือแต่ ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้เท่าหมดอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้เท่าทันหมดตันหาก่อตัวไม่ได้นอกจากก่อตัวไม่ได้แล้วก็หมดเชื้อหมดพบหมดเชื้อหมดเชื้ออหมดอย่างเหนียวหมดความดี ด, ดิ้นหมดความดิ้นรน <c oughs> ความชฉยทียานของจิตนี่คือภาวะของจิตที่เราติดข้าผูกพัน อย่างไรเราไม่ติดข้องไม่ผูกพันอย่างไรมีความสำคัญระดับชีวิตจิตใจของเรามีความสำคัญระดับภพบระดับชาติที่เราควรจะฝึกฝนอบรมทำความรู้ให้เกิดความรู้รู้เท่ารู้ทันเนี่ยเหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปมีโยคือเจ้าตันหานนั่นแหละ ทัาหามันเกิดมาจากไหนมันก็เกิดขึ้นมากับจิตเครื่องแฝงมากับจิตนั่นแหละเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าด้วยเหตุที่มันเป็นภาวะที่ทําให้จิตเรามีรักบ้างมีชังบ้างมีราคะมีโทสะมีโมหะอันเป็นภาวะให้จิตเรามีความเศร้าหมองภายในจิตของตัวเองอ่าด้วยอวิชชามันครอบดเงาท่านจึงให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสภาพทําจิตให้เศร้าหมอง คขาว่าเศร้าหรือหมองคขาว่าเศร้าหรือหมองก็คือมันไม่ผ่องใสนั่นเองมันเศร้ามันมองเหมือนกับน้ำนนนํำขุนๆน้ําที่มีตะกอนตกตะกอนจิตของเรามันเศร้าหมองก็เหมือนกับน้ําที่ตะกอนมันฟุ้งเช่นอย่างน้ําในเราเอาน้ําขุนๆมาใส่ในขวดระยะวันเวลาล่วงไปตะกอนมันก็นอนก้นนอนก้นตะกอนมันลงไปนอนที่ก้น เราเห็นก้บนบนใสๆพอเวลาไปขยับตัวพับพอมันขยับตัวพับน้ำกระเพื่อมแต่ก่อนมันก็ฟุ้งขึ้นในขณะที่มันฟุ้งขึ้นมันหมองจนมอ ง, มองไม่เห็นอะไรผิดก็ไม่รู้ชอบก็ไม่รู้ที่เรียกว่าผิดชอบชั่วดีไม่รู้นี่แหละตัววิชามันปดบงังความเศร้ามองของมันนั่นแหละตัวที่เป็นภาวะที่เป็นกิเลสของมันนั่นแหละพร้อมที่จะราคะ กำนัดยินดียึดมั่นถือมั่นพร้อมที่จะจโธ่สะโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังอาฆา tp ิญญาบาัตรไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำลงเคลิ้มไปกับมันยอมตัวโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังหน้าดําหน้าแดงถึงกับฆ่าถึงกับแก่งถึงกับพระพฤติชั่วร้ายบางทีชั่วขณะพริบตาเดียวนั่นแหละ ฆ่ากันตีกันยิงกันตายแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วเป็นการสร้างเวียนสร้างกรรมเกิดขึ้นจากผลิตผลของผู้รู้เกิดขึ้นจากผลิตผลของผู้รู้รสร้างเวียนสร้างภั ย, ส ร, ภยสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเหตุให้กับตัวเองเนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วผลมันก็ต้องตามมาเมื่อ ม, มีเหตุเกิดขึ้นที่ไหนผลก็จะต้องตามมา เหตุเกิดขึ้นจากผู้รู้ดวงนั้นผลก็จะต้องตามไปเล่นงานผู้รู้ดวงนั้นเหตุไม่ดีก็ผลกรรมไม่ดีก็ตามไปเล่นงานผู้รู้ดวงนั้นผลดีเหตุดีผลก็ตามไปสนองผู้รู้ดวงนั้นเหตุกับผลคือพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็คือทําทุษให้กับตัวเองทําโทษให้กับ ทำทุกข <rude S 2> ์ให้กับคนอื่นทำโทษให้กับคนอื่นเช่นอย่าเราเครียดภายในจิตนเราเครียดภายในจิตเราไม่ได้พูดเราไม่ได้แสดงกิริยาทางกายสีกิริยาทางวาจาแต่ด้วยเหตุที่เรานึกอเนื้อเนอนื้ออกนอกรูนอกทางนึกราคะนึกตัณหาเนึกโมโหทสนึกอิจฉาริษยานึกอปียบาตเนื้อเนยิ่งนึกไปเท่าไหร่ โดยเหตุที่เรานึกผิดคิดผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดความเห็นผิดเนี่ยความเห็นผิดนี่เป็นศัตรูตัวที่ไร้กาศมาบดมาบังลวงฝ้าสติปัญญาของเราจึงให้เราหาสาเหตุต้นต่อที่จะให้เกิดเหตุเกิดแห่งความสุขอย่างแท้จริงก็หาไม่พบไม่เจอเหตุเกิดทุกอย่างแท้จริงก็หาไม่พบไม่เจอถ้าไม่เรางมเหมือนคนตาบอด เหมือนคนตาบอดงมอยู่อย่างนั้นแหละตั้งใจจะแก้สิ่งเหล่านี้เอากลับไปแก้สิ่งเหล่านั้นตั้งใจจะแก้สิ่งเหล่านั้นเอากลับมาแก้สิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันมืดมันบอดไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมตั้งใจรักษาศินก็ตอลอมขอมาเป็นการระงับกิเลสทางกายได้ทางวาจาได้จากนั้นมากิเลสยังฟุ้งอยู่ภายในจิต คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสไม่หยุดไม่หย่อนท่านจึงให้หยุดจิตหยุดนึกหยุดคิดหยุดนิง่งเขาจะไมห่หยุดนึกหยุดคิดหยุดนิง่งอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นท่านจึงมีอบายมีอบายให้เรานึกอย่างใดอย่างหนึ่งนึกอย่างเดียวนึกเรื่องเดียวนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมีสติสัมปชัญญะกำกับยับ ยับยับยับสติสั ม, มจัยยะถึงพร้อมอยู่ตรงไหนที่ไหนที่นั้นมันเป็นปัจจุบันทันด่วนสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่มืดสิ่งที่บอดที่เคยมานําหน้าเราเคยปล่อยช่องไปโอกาสให้สังขารเราปรุงเรานึกเราคิดเคยมานําหน้าเราเนี่ยมันก็โผล่เข้ามาไม่ได้เนื่องจากว่าปัจจุบันแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนความสว่างอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ย อะไรที่อยู่เังเพื่หน้าเราเราก็เห็นหมดอะไรที่อยู่ยัเพาะหน้าเราเราก็เห็นหมดอะไรโผล่มาเราก็เห็นหมดอะไรโผล่มาเราก็เห็นหมดในที่สุดจิตดวงนี้เป็นจิตที่สามารถทำงานได้เด่นชัดที่สุดเพียงขณะเดียวเท่านั้นไม่ใช่สองขณะสามขณะนะจิตของเราที่เด่นชัดที่สุดท่านจึงให้พยายามทําพื้นเพของจิตเนี่ยให้ได้ระดับอย่างนี้ระดับที่ชัดเจนที่สุดในขณะ น, นี้เพราะฉะนั้น จิตที่มีสติจิตที่มีสัมปชัญญะพร้อมในขณะนั้นจึงเป็นจิตที่อยู่ในปัจจุบันที่ชัดเจนที่สุดเราพยายามบริกรรมให้จิตของเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราก็จะตื่นอยู่กับอารมณ์คำว่าพุทโธพุทโธจิตของเราก็จะนิ่งนิ่งอยู่กับคำคำเดียวจะไม่นิ่งเฉยอยู่ก่อนอะจะไม่นิ่งเฉยอยู่ก่อน เราให้บริกรรมพุทโธก็คือว่าพุทโธพุทโธเพราะคำว่าพุทโธนี่เป็นอารมณ์ธรรมเป็นอาหารของใจเราเอาอาหารนี่แหละป้อนให้เข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปเขาจะเริ่มอิ่มป้อนเข้าไปเขาจะเริ่มอิ่มเพราะอันนี้เป็นอาหารใจเป็นอาหารของธรรมเป็นอาหารของใจไม่ใช่อาหารของกิเลสไม่ใช่อาหารของกิเลสเราจะคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เรานึกชอบใจสิ่งนู้นนึกชอบใจชนิดเอาป้อในให้เขาทั้งวันทั้งคืในให้เขาอิ่มเขาพ อ, พอไม่มีโอกาสอิ่มพอหลงตาทว่าวเหมือนเอาเชื้อไปเสริมไฟเหมือนเอาเชื้อไปใส่ไฟยิ่งเอาไปใส่มากเท่าไหร่ไฟก็ยิ่งไม่นูนจุดเปลวเปลวจุดก้อนเมฆเปลวจุดเมฆไม่ท่วมเพราะมันเป็นเชื้อไฟมันเป็นเชื้อไฟ ถ้าเป็นถ้าเราจะเรียกว่าอาหารคืออาหารของกิเลสมันไม่ใช่อาหารของธรรมเรายิ่งป้อนให้เขาเท่าไหร่เขาเท่าไหร่กิเลสมันก็ยิ่งโตป้อนให้เขาเท่าไหร่ก็ยิ่งโตหรือถ้าเราจะเทียบกับสิ่งที่เป็นฝุ่นเป็นละอองเหมือนกับขฝุนข่นคลุ้งเรายิ่งไปซาให้มันคลุ้งเท่าไหร่มันก็ยิ่งบงังบทบังความสว่างเท่านั้นยิ่งสาดไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งบทบังความสว่างไปเท่านั้นจึงไม่ใช่อารมณ์ของธรรม คำว่ า, าพุโทโธพุโทโธหรือธรรมโอธรรมโอหรือสังโฆสังโฆนี่เป็นอารมณ์ของธรรมถ้าให้จับแค่นี้เราไม่ต้องไปจับอะไรมากไม่ต้องไปนึกไปคิดไปอะไรให้มากมันจะสับสนไปในจิตเรานึกเรื่องเดียวนี่แหละให้มันพร้อมอยู่ให้มันชัดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราตั้งใจว่ากันหนตั้งใจให้มันชัดพุดโทโธโอชัดพุดโทโธชัดพยายามทดสอบไปอย่างเงี้ย ทำไปจนมันเชื่องมันชินจนจิตมันอยู่จนจิตมันอิ่มจิตอิ่มนั่นแหละท่านเรียกว่าปีติพุทโธพุทโธนี่เป็นวิตกเป็นวิจารทำไปทำไปเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความอิ่มแล้วเกิดความสุขเพราะจิตมันอยู่กับคำว่าพุทโธคำว่าพุทโธนี่เป็นอารมณ์อันเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกขตาลมเป็นอารมณ์อันเดียว แค่เราจับจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อย่างนี้แค่นี้ได้อยู่แค่นี้เขาทําไปเรื่อยๆเขายังไม่อิ่มไม่พอยังไม่ทิ้งคําบริกรรมเราก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยจิตของเราจะเริ่มสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบสงบไปเรื่อยจนเขาอิ่มเมื่อเขาอิ่มแล้วเขาก็ทิ้งคําบริกรรมเขาทิ้งคําบริกรรมจิตของเรามันก็มันก็กิเลสด้วยเหตุที่กิเลสตัณหามันไปแย่จิตไม่ได้จิตวิชิสงบ ถึงเราไม่ดําริสติของเราก็เต็มสัมผชัญญาของเราก็เต็มเปี่ยมถึงพร้อมปัจจุบันโรอยู่ในขณะนั้นตอนนั้นเพราะว่าเขาอิ่มคําบริกรรมแล้วเขาก็ไม่บริกรรมแล้วพุโทธโทธพุทโธพุทโธมันทิ้งเข้าไปแล้วเหลือแต่ความสว่างของจิตเหลือแต่ความสงบของจิตเหลือแต่ความนิ่งของจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกะกะตาเหลือปีติ เหลือความสุขหรืเอกกตตาเขาทิ้งคําดําริแล้วเขาทิ้งวิตกเขาทิ้งวิจารณ์ที่ทเรียก ว, ว่าทิ้งคำำําดําริวิตกก็คือความดํารึกดําริความตึกความนึกความคิดที่จะเรียก ว, ว่าวิตกพุโทโธพุทโธนี่เป็นวิตกวิจารณ์ก็คือประคองคําว่าประคองมันมีสติพร้อมอยู่ในนั้นสัมปชัญญะพร้อมอยู่ในนั้นเอาสองตัวนี่แหละเป็นตัวมาประคอง ประคองจิตของเขายอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธนะวิตกวิจารนะจนเขาเริ่มมีปีติจนเขาเริ่มมีความสุขเนื่องจากว่ามันนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวจากนั้นเขาก็ทิ้งวิตกทิ้งวิจารทิ้งวิตกทิ้งวิจารณ์จิตก็ไม่ไปไหนสัมผชัญญาเต็มเปี่ยมอย่างนั้นสติก็สัมผัสก็เต็มเปี่ยมอย่างนั้นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่นั้นแหละมันอิ่มเหมือนกับว่าเขาเขาเข า, เขารับทานอาหาร อาหารของธรรมหรืออาหารของใจรับไปรับไปรับไ ป, บไปเมื่อเรารับทานอาหารรับไปมันก็อิ่มเพราะอิ่มมันก็ไม่หิวคําว่าหิวในที่นี้ก็คือหิวอารมณ์นั่นแหละหิวโดยอํานาจของความอยากที่เรียกว่าตัรหาแปลว่าความอยากด้วยเหตุที่กิเลสมันแทรกเข้าไปภายในจิตไม่ได้มันก็ไม่อยากมันไม่อยากมันก็รออยู่เป็นภาวะธรรมชาติอันหนึ่งสว่างสว่างอยู่อย่างนั้น จากการที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่เป็นเรื่องของตัณหามาแทรกจิตโดวนั้นก็สงบอยู่อย่างนั้นมีความสุขอยู่อย่างนั้นมีความอิ่มเอบิกบานอยู่อย่างนั้นสงบมากสงบน้อยสงบมากเท่าไหรสงบน้อยเท่าไหร่เขาจะสงบไปเป็นยกเป็นยกเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่ว ง, องพอเขาอิ่มตัวเขาถอนออกมากระดุกระดิ ก, ก, ดกรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นอารมณ์ปกติ เราก็บริกรรมเข้าไปอีกให้เขาสงบสงบถึงขั้นนั้นอีกเวลาก็ถอนตัวมาบริกรรมเข้าไปให้สงบเข้าไปอีกอหรือไม่เวลาเขาขยับตัวออกมาท่านให้จับจับธาตุขันเรามาพิจรารณามาคลี่คลายเพื่อทําลายความหลงของตัวเองที่เรียกว่าให้เดินปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้เดินปัญญาหลงตาท่านให้ทําให้สงบ เพราะจิตขยับออกมาแล้วก็ท่านให้พิจารณาพิจารณาเป็นเรื่องของปรรัญญาสงบเป็นเรื่องของความสงบเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิถ้าเราจะว่าสมถะก็ใช่ปรรัญญาเราจะว่าวิปัสสนาก็ใช่แต่ว่าความสงบที่ถูกต้องนะคือความสงบที่มีจิตตั้งมั่นแนบแน่น ประกอบพร้อมด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอาตตะปะความภาคความเพียรพระคับประคองโรยอยู่นั่นเนี่ยเป็นสัมมาสติถ้าเราจะพิจารณาดูให้ดีแล้วมันมีทั้งสมาธิมันมีทั้งปัญญาอยู่ในนั้นแหละในสมาธินั่นแหละมีปัญญาอยู่ในนั้นในปัญญานั้นมีสมาธิอยู่ในนั้นเพราะสมาธิอันนี้จึงเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอ่า ถ้าหากขาดความพร้อมหากขาดความรู้ตัวหากการเท่าทันต่อปัจจุบันแล้วอาจจะเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิที่ยังหลับเงียบาหายไปไม่รู้ดึงจะมาใช้งานในขณะปัจจุบันทันตัวก็ดึงมาไม่ได้เนี่ยเราต้องการให้จิตสงบอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องให้เขาสงบด้วยอุบายอย่างนี้คุบาอาจารย์ของพวกเราพยายามปลูกฝังพยายามบอกพยายามสอนให้อยู่อย่างนี้เลย แต่การที่เราจะทำภาวะของจิตให้เป็นอย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้เราจะต้องอาศัยความภาคเพียรของตัวเองอย่างยิ่งยวดไม่ใช่ทำทำศัพท์ธรรมทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสังเกตสังกาททำอย่างกำหนดจดจอ่อทำอย่างสนอกสนใจให้ความให้ความสาคัญให้ความมั่นหมายต่องานอันนี้อย่างแท้จริง มือนก็เป็นการปล o n โอ่งงานนี่แหละงานสัมพันธ์ระดับชีวิตจิตใจของเราแ่ะจิตหมุนมาอยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวเนี่ยอผลทั้งหลามก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเราสร้างเหตุประชับเข้ามาเพื่อความสงบผลมันก็จะต้องมาตามเหตุถ้าเราทําเหตุพอเพียงพอที่จะให้เขาสงบได้เขาก็พร้อมที่จะสงบได้ถ้าหากเราทําเหตุไม่เพียงพอเขาก็สงบไม่ได้อเหมือนเราต้องการทํา ความเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องไม่ให้มันขาดช่วงกันอพอได้ที่เขาก็พร้อมที่จะมีได้พร้อมที่จะเป็นได้แต่ถ้ า, ากเราทําแล้วติดขาดติดขาดติดขาดไม่ต่อเนื่องอะไต้องขัดขาดตรง น, นั้นแหละไอ้ความไม่ดีของจิตความมายาที่เป็นกิเลสของจิตมันแทรกเข้ามาเหมือนเขาพยายามตัดมันออก พ, พยายามมาตัดมันออก พ, พ อ, อกพ เ, อเาาพลอ ะ, ะปั๊บมันก็แทรกเข้ามาพอเพลอะปั้บมันก็แทรกเข้ามาพอเพลอะเพลอปั๊มันก็แทรกเข้ามา เพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้มันจึงเป็นพลังงานที่ขาดช่วงจึงเป็นพลังงานที่ขาดช่วงแต่ก็เป็นเหตุว่าเราจะต้องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้แหละขาดบ้างติดบ้างขาดบ้างติดบ้างขาดบ้างติดบ้า ง, าา ง, างโอกาสาที่จะตีกันพืน้ไปนั้นน่ะจะต้องผ่านระยะผ่านการผ่านเวลาผ่านความอุตสาหพยายามผ่านความกําหนดจดจ่อความาพลาดความเพียรอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะอํานาจของเหตุทำอย่างถูกต้องแข็งแรงแน่นหนามั่นคงทําำโดยไม่สังเกตสังกาไม่ให้ความสําคัญทําขาดทําขาดขาดวินวินไม่ทําอย่างต่อเนื่องผลก็มันก็อํานวยผลให้อย่างนั้นแหละ น, นี้เราไม่ต้องสงสัยในตัวเราละเราสังเกตดูกิริยาการในขณะของจิตเรา มันอยู่ได้ต่อเนื่องยาวสักเท่าไหร่ได้สักว่านึงไหมได้สักครึ่งเส้นไหมได้สักเส้นหนึ่งไหมได้สักสองเส้นสามเส้นได้สักหนึ่งกิโลไหมได้สักพืชนไหมได้สักห้านาทีไหมได้สักสิบนาทีไหมครึ่งชั่วโมงได้ไหมหนึ่งชั่วโมงได้ไหมเราสังเกตดูกิริยาการที่มันต่อเนื่องภายในจิตของเรา ถ้ า, เร า, ถาเราทำได้อย่างต่อเนื่องพื้ดไปโดยไม่ให้มันมันเกิดช่องให้มันมาแทรกได้นะแล้วก็พิจารณามาที่จิตของเราให้โรพ่พิจารณามาที่รูปที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันโรอ ย, อยู่อย่างนั้นทาได้อย่างต่อเนื่องมันเป็นการเจริญมหาสติสติปัฏฐานเนี่ยพุทธเจ้าที่ยังพยากรณ์เอาไว้บุคคลผู้นั้นภายใน เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างช้าจิตดวงนั้นจะต้องสะอาดบริสุทธิ์อ่าไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้เป็นพระอนาคามีไม่เป็นพระอนาคามีก็ต้องได้เป็นพระสรกิทาคามีไม่ถึงขั้นได้เป็นพระสกิทาคามีก็ต้องได้เป็นพระสุนทรภัณอย่างแน่นอนนี่พระองค์ทรงพยากรณไว้นะแต่เราทําไม่ได้ตามนั้นเราทําไม่ได้ต่อเนื่องอย่างนั้นเนื่องจากว่า ความยังไม่ชำนิชำนาญแต่ถ้ า, าเราชำนิชำนาญแล้วเราทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการใช้เวลามากการตั้งอกตั้งใจมากจึงได้เปรียบจึงได้เปรียบสังสมมามากตั้งอกตั้งใจมากให้ความสำคัญมากอุตส่าห์พยายามมากใช้ความภาคความเพียรมากจึงได้เปรียบคนที่สังสมมาน้อยให้ความพยายามน้อยให้ความภาคความเพียร น, น้อย ทำติดๆขาดๆติดๆขาดๆเนี่ยผลมัน ก, ก็เป็นไปตามนั้นอนี่เราก็ตั้งอุตตั้งอุตตั้งใจทําเพื่อความสงบเมื่อมีความสงบอันนี้แนบแน่นมั่นคงเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานที่ที่เรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นมันตั้งมั่นยังไงเราดูให้เห็นมันตั้งมั่นที่กายของเราเนี่ยถึงแม้เราจะนึกจะคิดจะอะไรก็ตามมันไม่มีตัวกิเลสตัวความอยากมาก มามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าจิตจิตมันไหวจิตมันสว่างจิตมันโรูจิตมันพร้อมจิตมันตื่นเขาเรียกว่าตื่นมันตื่นแล้วแมันตื่นจากกิเลสและวจิตมันตื่นติดจิตไม่จมเขาไม่จมก็คือจมไปกับนิวรณ์ที่เรียกว่าจิตจมจิตจมเรื่องรักกามาฉันทะเรื่องรักเรื่องชังเน่ยกามาฉันทะก็คือเรื่องรักอพยาปาท่าก็คือเรื่องชัง ทีนามิตะความขี้เกียจขี้คลานความหลังเลสงสัยนึกคิดผิดช่องผิดทางอและความหลังเลสงสัยความแคลงคลางความลังเลความสงสัยความงงเหงาหา้านอนความฟุ้งซ่านคิดนึกจนฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรนนินวรนมากีดมากัน้นจิตของเรามักจะจมไปกับสิ่งเหล่านี้ ถ้าหากจมไปกับสิ่งเหล่านี้มันก็ไปไปหมกตัวกับสิ่งเหล่านั้นแหละอหมกตัวอยู่กับกามจิตนึกคิดวุ่นกับเรื่องกามจิตนึกคิดวุ่นกับเรื่องพยาบาทคนนั้นผิดใจคนนั้นผิดใจคนนี้ข้องใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ไม่สมหวังกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ข้องใจพยาบาทอยู่อย่างนั้นแหละก็เรียกว่าไปหมกอยู่กับอารมณ์นั้นแหละ กพยาบามบางทียงนึกคิดจนฟุ้งเป็นอุทจจักกุจจักบางทีก็ลังเลสงสัยอ่าลังเลสงสัยเอ๊ะบามีไหมบุญมีไหมเราทําไปแล้วมักผลนิพพานมีไหมอะไรมีไหมนี่ยนึกคิดเรื่อยเปื่อยไปนึกคิดมากๆเขากลายเป็นฟุ้งแล้วบางทีก็จิตจิตขี้เกียจ จิตขี้เกียจที่เรียกว่าทีนักมิถะถูกความขี้เกียจขี้คร้านครอบงําจิตอยากหลับอจิตอยากหลับสักหน่อยก็คลอกครอกเมื่อกี้ได้วังเทศหลงตามท่านบอออย่างงั้นได้คลอกครอกอย่างงั้นนั้นได้ยังอื่นไม่ได้ฟังแล้วคําดีนะหลวงตาท่านใช้คําพูดเนี่ยย้อนไปย้อนมาเอออย่างงั้นได้โอ้ฟังแล้วก็คําดี อย่างนั้นได้แต่อย่างนี้ไม่ได้ไ <c oughs> อ้ไม่เคราะหๆอย่างงี้เนะ่ยมันไม่ได้ไอ้ไม่วิตกไม่กังวลเนี่ยไม่ไปกับไปซุกซ่อนอยู่กับตันหาราคะไม่ไปซุกซ่อนอยู่กับอารมณ์ของพยาบาทนะไม่ไปซุกซ่อนอยู่กับรังเลสงสัยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าถือว่าเรารู้เท่ารู้ทันไม่ซุกซ่อนเรามีผลเราได้ผล เป็นการยกจิตขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นมันตกไปก็ตกไปกองอยู่กับกองขยะเหล่านั้นแหละที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งขัดขวางต้องการให้สงบมันก็สงบไม่ได้สิ่งร้อนนั้นมาขัดขวางต้องการพิจารณาเกิดปัญญามก็พาเรานึกเราคิดผิดช่องผิดทางไปเกิดสัญญาอารมณ์ที่เป็นที่เป็นอารมณ์แห่งการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาโด้อุปาฏฐานก็ผิดทางไปโอกาสที่จะเห็นสัตย์จะ สัจจะสัจธรรมตามเป็นจริงมันก็เห็นไม่ได้ในเมื่อเห็นไม่ได้มันก็พานนึกผิดคิดผิดปรุงผิดเข้าใจผิดยึดผิดถือผิดสําคัญผิดอยู่นั้นะไม่จบนี่เราจะเห็นว่าอุปสรรคที่มันจะตามมาเล่นงานเรามีทุกระยะทุกเวลาเนื่องจากว่าเราพยายามทําจิตของเราให้เป็นธรรมกิเลส ท, ที่มันมีโยนภายในจิตของเรามันก็ตามมาเล่นงานอยู่นนะั้นแหละตามมาแข่งขันกันเราพยายามทําจิตให้เป็นธรรม ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิเกิดความสงบมันก็มาตามเรื่องงานเราเนื้ยืมจิตอะไรใช้งานยืมจิตใช้งานตัณหาเนี่ยมันยืมจิตไปใช้แทนธรรมะมามาไปใช้ตัณหามักพยายามมาแย่งมันตามหลังมันแหละในขณะที่นึกคิดพานึกภาคิดพาพิจารณาภาไข้ครอนเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำตัณหามันก็แทะขมามันก็ตามหลังขมามเพลอปั๊บมันสูตรรอยปับ เผลอพับสวมรอยพับไม่ทันไม่ทันถ้าหากพระจาจสติสัมปชัญญะคือผู้รู้โรออยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ทันมันเผลอแป๊บเดียวนี่แหละท่านทัตว์ทว่าอวิชชาอวิชชามันมาบดมาบังไม่รู้เท่าไม่รู้ทันในเมื่อเมื่อในเมื่อเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันโอกาสที่เราจะปิดจะกกั้นจะแก่เราก็ปิดไม่ได้กั้นไม่ได้แก้ไม่ได้ มันก็เลยมาสวมรอยซะเอาจิตของเราไปใช้งานซะนี่ตัณหามาเอาจิตของเราไปสวมมาอาจิตของเราไปทํางานแล้วใช่ไหมแป๊บเดียวมันเอาจิตไปทํางานแล้วเผลอแป๊บเดียวเอาไปแล้วเผลอแป๊บเดียวเอาไปแล้วถ้าเราสังเกตเราเห็นได้เลยขณะนี้ขณะไหนตอนไหนเราเผลอเนี่ยเรารู้ได้ทันทีการให้ความสนใจกับอารมณ์ในปัจจุบันจะเป็นการได้เห็นจะเป็นการได้ยินให้มันชัดให้มัน ให้มันชัดเจนเห็นสักสมุอย่างคําพูดเนี่ยคําสั่งอ้าวฟังยังมัวๆอยู่ยังไม่ค่อยใจว่าสั่งอะไรบอกอะไรพูดอะไกิเลสมันสวงรอยมันพันนึกวาดมโนภาพาไปเลยโอ้เป็นเงื่นเป็นเง่เป็นมงอนเปนเ่าว่าเป็นนู่นเป็นนู่นพลาดผิดเดาผิดเข้าใจไปทําผิดแล้วนี่ไหมรพูดถึงบคําคําสั่งบางอย่างอที่เราฟังจากครูบาอาจารย์ท่านสั่ง ท่านสั่งท่านใช้ท่านสั่งท่านบอกยังไม่ได้นึกคิดเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเจ้าอาวิชชามันมาสวมรอยแล้วตัญหามันมาสวมรอยแล้วเอาจิตมาใช้แล้วเอาจิตไปใช้ออกนอกแน ว, แวออกนอกรูนอกทางคาดไปก่อนเดาไปก่อนคือคาดผิดเดาผิดไปแล้วไม่ได้ฟังให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เกิดขึ้นจากพื้นฐานของจิตของเราไม่ดี เกิขึ้นจากพื้นฐานของเราไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนไม่มั่นคงมัวมัวไม่สว่างพอสมัมผััญญาไม่เต็มที่รู้ตัวไม่เต็มที่รู้ตัวมัวมัวรู้ตัวชัดชัดสติก็คืออาการของจิตนั่นแหละสมัมผััญญาคืออาการของจิตแต่มันเป็นอาการที่ที่ค่อนข้างทําให้จิตเนี่ยรู้ตัวเอง สัมมชัญญาคือความรู้ตัวรู้ตัวเองรู้ตัวว่านั่งว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนว่ากินว่าดื่มว่าทำว่าพูดว่าคิดรู้ตัวว่าทำผิดว่าทำถูกรู้ตัวพร้อมอยู่ในขณะนั้นนะเราลองนำรงให้มันอยู่รู้รู้ดูปัจจุบันเป็นงนี้ที่สติมันก็ยับยับสติยับยับก็คือเหมือนกับว่าจิตมันกระเพื่อมยบบยับ ยัเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะของมันสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวกับรู้ตัวกับสว่าง ม, มาพร้อมๆกันมาพ่อๆกันจนแนบแน่นแน่นหนามันคงกลายเป็นปัญญากลายเป็นปัญญาขึ้นมาสอดแทรกไปตรงไหนก็สามารถเข้าไปยังเห็นสัจจะคือความเป็นจริง เมื่อเห็นความเป็นเมื่อเห็นความจริงแล้วมันก็มันก็เชื่อมันก็ปรับใหญ่มันก็แนบแน่นมันก็มั่งมั่นคงเหตุเพราะให้เราเบื่อเพราะให้เรานายเพราะให้เราคลายเพราะให้เราจางจากการคิดมั่นถือมั่นอุปาทานมันก็เกิดขึ้นมันก็มีขึ้นนี่คือการตั้งใจดำเนินทางด้านจิตใจของเรามันมีอุบายมันมีวิธีมันมีอุปสรรคมันมีวิธี กันมันมีวิธีแก้อยู่อย่างนี้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาใถ่ครวนประพฤติปฏิบัติให้ได้รับผลคือความสงบให้ได้รับความรอบรู้คาว่ารอบรู้ไม่ได้รอบรู้อะไรนะรอบรู้สัจจะสัจจะอะไรสัจจะของทั้งสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละสังขารคืออะไรคือสิ่งประกอบกันสิง่งสิ่งปรุงแต่งสิ่งประกอบกันท่านเรียกว่าสังขาร กุ่มวีท่าลักษณ์กายเรามันมีประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟถ้าาให้ให้มาดูเห็นเป็นจริงว่าโอดินเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้น้ําลักษณะอย่างนี้ลมลักษณะอย่างนี้ไฟลักษณะอย่างนี้จนสามารถถอนอัตตานุทิฏฐิความสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งออกได้ดูให้เห็นเป็นจริงไปอย่างนั้นแท้ที่จริงเขาก็เป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงเขาก็เป็นอย่างนั้น พระสัอัตตาพระสจัจตัวตนพระสจัจ ก, การยึดพระสจัจ ก, การยึดมั่นถือมั่นที่หลวงตาท่านว่านี่มันว่างว่างจากอัตตาว่างจากตัวตนว่างจากตัณหาเหลือแต่ภาวะที่เป็นธรรมชาติเหลือแต่ภาวะที่เป็นธรรมชาติสามารถรู้เท่าทันสังขารสังขารทั้งหลายมันก็สะท้อนไปที่สัจจะ ความจริงของมันมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงมันก็สะทอ้อนสัจจะคําว่าสัจจะมันก็แทรกเข้าไปที่สังขารทุกแห่งทุกคนสังขารใดๆก็ตามมันมีสัจจะแทรกเข้าไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละมันแทรกเข้าไปมันจะมีกิริยาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็คือนั่นแหละคือภาวะของสังขารแหละภาวะอันหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดคือเขาไม่คงที่ไม่คงที่อไม่คงที่ อันนี้เป็นลักษณะของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่แหละทุกขลักษณะทุกขลักษณะความเปลี่ยนไปนี่อนิจจลักษณะลักษณะของความไม่เที่ยงนี่คือลักษณะของสังขารสังขารใดก็ตามเราดูรอบข้างตัวเราเราดูอย่างอื่นก็เทียบมาที่กายของเราที่ใจของเราเราดูที่กายของเราเราดูที่ใจของเราเราก็เทียบไปข้างนอกไปกับสิ่งนู้นสิ่งนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้รอบข้างตัวเรา ดูข okay. ้างเดียวไม่ดีต้องดูเทียบไปเทียบมาเทียบมาเทียบไปแต่ถ้าดูข้างเดียวก็อย่าดูให้มันออกนอกกายของเรานอกใจของเราแต่ถ้าเราดูออกนอกดูออกนอกแล้วก็ต้องเอามาเทียบกับกายของเราดูรูปประสังขารข้างนอกแล้วมาเทียบกับกายของเราที่กิจของเราดูข้างนอกแล้วมาเทียบข้างในดูข้างในแล้วก็ไปเทียบข้างนอกถ้าดูอย่างเดียวก็ดูแต่เฉพาะข้างในอย่าดูออกข้างนอก แต่ถ้าดูข้างนอกอย่าลืมย้อนมาข้างในดูข้างในแล้วย้อนไปข้างนอกดูข้างนอกย้อนมาข้างในพิจารณาข้างนอกย้อนอพิจารณาข้างนอกแล้วย้อนมาข้างในพิจารณาข้างในแล้วย้อนไปข้างนอกย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปเราจะเห็นข้อแตกต่างกันคือความไม่คงที่ของมันเยเป็นทุกทุกลักษณะอความไม่ดีใจความเสียใจความไม่พอใจอ นี่ความไม่ยินดีนี่นี่ก็เป็นลักษณะความทุกข์ของใจอ่าใจมันไม่มีรูปให้เราเห็นเราเห็นมันไม่ดีใจมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจนี่คือทุกอขอลักษณะลักษณะความทุกข์ของนามลักษณะความทุกข์ของมันความดีใจความเพลินใจความยินดีความพอใจมันก็เป็นลักษณะกิริยาอาการ ที่เป็นสุ ข, ขลักษณะของนามสุ ข, ขลักษณะทุก ข, ขลักษณะสุ ข, ขลักษณะทั้งสุขทั้งทุกนั่นแหละมันคือภาวะที่เราไม่รู้เท่าที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงของมันจนเป็นเหตุให้เราเ อ, อ่ยยินดีพอใจจนเป็นเหตุให้เรายินดีที่เรียกว่ายินดีและก็ยินร้ายยินดียินร้ายก็คือความไม่คงที่ความไม่ไม่เห็นสัจจะที่แท้จริง จิตยังมีการยึดเข้ามาจิตยังมีการผลักออกไปเนี่ยทั้งภาวะของสังขารทั้งอนิจจังทั้งทุกขังนี่แหละเราไปดัดแปลงไม่ได้ดอกมันเป็นไปตามภาวะของมันภาวะที่เราดัดแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้า ท, ท่านรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่างจากตัวว่างจากตนฮาเขามีเขาเป็นตามภาวะของเขาแต่เราพยายามไปกระไปเกณฑ์ไปบังคับให้เขาเป็นไปตามใจหวังบังคับไม่ได้ก็ทุกข์ บังคับไม่ได้เปลี่ยนไปตามใจควาของเราเราก็ทุกข์บังคับไม่ได้เราก็ทุกข์บังคับไม่ได้ก็ทุกข์หากเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แค่นี้แหละวันหนึ่งวันหนึ่งทําให้เรานั่งกอบโกยความทุกข์มาทับถมเข้าใจของเราตลรอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอโดยเฉพาะจิตของปุถุชนด้วยแล้วเนี่ยไม่เคยสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ธรรมมันก็พานึกพาคิดพาปรุงเรื่องเหล่านี้เนี่ยดีใจบ้างเสียใจบ้างเสียใจบ้างเออดีใจบ้าง ยึดเข้ามาบ้างผลักออกไปบ้างยึดเข้ามาบ้างผลักออกไปบ้างกล่าวโทษกล่าวร้เรื่องเหล่านั้นบ้างกล่าวโทษกล่าวร้เรื่องเหล่านี้บ้างโอกาสที่มันจะเห็นตามเป็นจริงอยู่ตามเป็นจริงะมีน้อยแต่ถ้าพูดตั้งใจปฏิบัติธรรมเห็นบ้างพอจะเห็นอยู่บ้างทำบ้างไม่ทำบ้างทำไม่ต่อเนื่องมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ถ้าตั้งตั้งอกตั้งใจทำให้โร่ทำได้อย่างต่อเนื่อง ผลมันก็จะชัดเจนขึ้นมากกว่านี้นี่คือการตั้งใจปฏิบัตินี่คือภาระที่เราจะต้องเอาภาระภายในจิตของเราเราทำได้อย่างนี้หมายความเราพยายามหาวิธีการดับไฟข้างในไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟราคะโมหะโทสะเมันเกิดขึ้นีใจไฟราคะโทสะโมหะมันไม่เกิดขึ้นข้างนอกมันเกิดขึ้นข้างในข้างในใจ เราพยายามดับไฟข้างในดับไฟข้างในได้แล้วไฟข้างนอกไม่มีไม่มีความหมายดับไปด้วยกันแต่ถ้าเราดับไฟข้างในก็ไม่ได้ไฟข้างนอกมีเราก็ทุกเราก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแปลกใจเลยที่เราไปดับไฟในป่าเนี่ยอนี่ไฟข้างนอกถ้าเราไม่ดับก็ไหม้ันหมดเกลี้ยงไฟข้างในของเราเนี่ยร้ายกาจมากกว่านี้ถ้าเราไม่พยายามดับเอาศีลดับเอาสมาธิดับเอาปัญญาดับ มันไม่ที่จนสัมมาทิฏฐิเคยมีอยู่บ้างมันไม่พานึกพาคิดตลอดเปิดเปิงไปจนเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเต็มหมดตั้งดวงมืดบอดหมดตั้งดวงอพูดผิดตลอดทายผิดตลอดแก้ผิดตลอดปฏิบัติผิดตลอดทําตัวผิดตลอดคิดว่าสิ่งนี้แหละเป็นสุขสิ่งนี้แหละเป็นสุขสิ่งนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขทายผิดอทําผิด สิ่งนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่ไปทําเหตุให้เกิดความทุกข์ซะโอ้ยเดี๋ยวนี้กําลังทุกข์ใจอยู่กําลังทุกข์ใจไปแก้แก้แทนที่จะไปแก้เป็นเหตุให้เกิดคลายความทุกข์แก้ปมแห่งความทุกข์เป็นการไปเสริมทุกข์ไปมัดเพิ่มนี่คือหัวใจของปุถุชนมืดหนาปัญญาบอดขาดการย้อนมาดูมาพิจารณาจิตของตัวเองทําให้เราได้รับทุกข์ได้รับโทษอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีการจบเลยนะ การวนเวียนไปนวัตตาสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเหมือนมดแดงไตขอบกระดองลงตาว่าไม่รู้ตรงไหนเป็นที่ต้นตรงไหนไม่รู้ตรงไหนเป็นที่สุดตายอยู่นั่นแหละไม่รู้ตรงไหนเป็นที่สุดเกิดแก่เจ็บตายหนีวัตตาสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นไปตามวัตตะวันวัตตะวันกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากอันนี้เป็นวัตตะวันคำว่าวัตตะวันก็คือวน มันทำงานเป็นเหตุเป็นผลแก่กัารริกันกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นวิบากที่เขาเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเพราะฉะนั้นเวลาท่านตักท่านให้เอาตัวหนึ่งออกแล้วมันจะขาดท่านให้เอากิเลสออกถ้าเราเอากิเลสออกแล้วเราทำกรรมกรรมเหล่านั้นสักแต่ว่าเป็นเป็นกิริยา ไม่เป็นเหตุให้เราต้องได้ไปถือปฏิสนธิมีภพมีชาติในโอกาส ต, ต่อๆไปถ้าเราปฏิบัติจนละจนปล่อยจนวางได้หมายความว่าเราตัดกิเลสได้หมดกรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาที่จะเป็นวิบากให้เราได้ไปอุบัติในภพนั้นในภพนี้มันก็ไปไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเจ้าความอยากที่เป็นเชื้อที่เป็นเชื้อที่เป็น นอที่เป็นยอดอ่อนที่เป็นยางเหนียวในพืชน่ะมันเสื่อมมันเสื่อมมันสูญมันสูญไปแล้วมันเสื่อมไปแล้วมันหมดไปแล้วอ่มันหมดยางเหนียวแล้วจาแรกจนหมดพิษหมดสงแล้วจำแรกจนหมดพิษหมดสงแล้วถ้าเราจะเทียบกับอะไรกับอ้าววัด บ, บ, บ้านราเนี่ยกลอยกลอยเงี้ยกลอยมันไม่มีพิษเนี่ยเอาไปแช่เอาไปยีเอาไปแช่จนพิษมันออกหมด หลังจากพิษออกหมดแล้วเยเอาไปนึ่งเอาไปต้มมาคลุกใส่อะไรเลยเป็นอาหารบริโภคได้อร่อยนี่ภายนจิตของคนเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราเอาสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษออกหมดแล้วมันก็มีแต่ความสุขนั่นแหละประมังสุขขังะเป็นจิตที่มีรสชาติอริดอร่อยอ ะ, ะฉะนั้นในเมื่อเราตัดกิเลสได้แล้วกรรมก็สักเท่ากัเป็นกิริยาวิบาต ท, ที่จะให้เราไปปฏิ คือปฏิสนธิอีกไม่มีมันก็เป็นการในเมื่อไม่เกิดเขาว่าไปปฏิสนธิมาเขาว่าไปเกิดในเมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นการตัดวัตตาสงสารโดยอัตโนมัติถ้าเราตัดวัตวนได้เราก็ตัดวัตสงสารตัดวัตตสงสารได้โดยอัตโนมัติ วัตตาสงสารที่ยืดยาวที่สุดก็คือวัตตาสงสารที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อุปโไม่เห็นสัตย์จะทาความทุกข์ทั้งหลายก็ตามเล่นงานเราอยู่ตลอดพระพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสําคัญที่ว่าสังขารแม้นิดหนึ่งก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ท่านจึงตําหนิสังขารคําว่าสังขารสังขารมีที่ใดทุกมีที่นั่นทุกมีที่ใดพบมีที่นั่นชาติมีที่นั่น แกเจ็บตายมีที่นั่นเหมือนอย่างพระองค์ทรงตำหนิแม้แต่ไปอุบัติในสุทาวาสพรหมโลกนะเป็นพระอนาคามีไปอุบัติในพรหมโลกก็ถือว่ามีพบ อ, อยู่ในนั้นพะระองค์ก็ถือว่าพระองค์ก็ทรงตำหนิอทรงตำหนิแต่ถ้าหมดสิ้นไปเลยไม่มีพบไม่มีชาติอ่ที่จะต้องไปเกิดอีกนะ่ะพระองค์ทรงยกย่องชมเฉยว่าปรมังสุ ข, ขังปรมังสุ ข, ขัง เ ป, เ, เปรียบเหมือนก้อนคูดตลอดเปรียบเหมือนก้อนคูดขึ้นชื่อว่าสังขารเปรียบเหมือนก้อนคูดแม้แต่เป็นก้อนเล็กๆน้อยๆก็ตามย่อมมีกลิ่นรังเกียจก้อนคูดของเราเนี่ยเราดูดิก้อนคูดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่อไม่ต้องไปถูกอะไรมากไปถูกนิดหน่อยมันตดองดูนะมีกลิ่นเหมือนชนใดขึ้นชื่อว่าสังขารมีที่ใดพบมีที่ใดชาติมีที่ใดกองทุก มีที่นั่นนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้พวกเราพยายามปฏิบัติเพื่อชะเพื่อล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปออืพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจทําตามอัตภาพแห่งตนแห่งตนแล้วก็ให้มีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนทันแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติไปให้สมกับภาวะกับเพศกับภาวะ กับสถานที่ที่เรียกบุญยะสถานบุญยะสถานเป็นที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความการได้บุญโดยกิริยากายด้วยกิริยาวาจาด้วยกิรยาายิ ย, รยาจิตให้ประกอบไปด้วยบุญบุญที่เราสังสม น, นั้นบางอันนี้บ้างอันนั้นก็เล็กอันนี้ก็น้อยอันนั้นก็มากสังสมไปก็กลายเป็นบุญก้อนใหญ่บุญก้อนใหญ่ไม่รวมอยู่ที่ไหนรวมอยู่ที่จิตของเรานั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราทำสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำไปเถอะไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะตกครางทิ้งเรียราชเสียหายกระจา ก, กระจายไปที่ไหนบุญทั้งหลายลูกบุญนี้จะสังสมอบรมมาที่จิตของเรานี่ยกลายเป็นจนกลายเป็นพลังก้อนใหญ่สนับสนุนให้เราได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลได้นิพพานคนทุกข์้นโทษในวัตฏะสงสารไปได้พ อ, อสมควรเก่เวลา และจบแค่นี้แหละอากาศดีนะไปเดินไปนั่งที่กุฏิเรา